แขกไม่ได้รับเชิญในวิดีโอคอลสัมผัสเสีย่ยงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เวลากลางคืนผมกับแฟน มักจะวิดีโอคอลคุยกันซึ่งผมก็อยู่บ้านของผมนั่นแหละส่วนตัวแฟนจะอยู่ที่วิทยาลัยซึ่งเป็นวิทยาลัยประจำทำให้ต้องนอนหอพักที่นั่นทุกคืนห้องนอนของแฟนผมจะนอนกันสี่คนเมื่อเธอได้ไปอยู่หอแล้วได้เจอเรื่องราวอะไ ร, ประแปลกเธอก็มักจะนาเรื่องราวหลอนๆของที่นั่นมาเล่าให้ผมฟังอยู่เสมอ เช่นในคืนหนึ่งเพื่อนของเธอหลังจากเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เดินกลับมาเพื่อที่จะเข้าห้องนอนเพื่อนๆทุกคนในห้องก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วในจังหวะที่เธอเปิดประตูเข้ามานั้นก็เห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้ขณะที่เธอกำลังสงสัยอยู่ว่าคนคนนั้นเป็นใครเป็นเพื่อนของเธอหรือเปล่า ผู้หญิงคนนั้นก็เดินทะลุหน้าต่างออกไปหรือบางคนก็เห็นเป็นหน้าผู้หญิงโผล่ออกมาจากหน้าต่างของห้องนอนแล้วก็ยิ้มให้ซึ่งผมก็รับฟังแต่ก็ไม่คิดอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งผมก็วิดีโอคอลคุยกับแฟนปกติตอนนั้นน่าจะประมาณหทุ่มแล้วแฟนผมก็กำลังนั่งทำงานบนโต๊ะทำงาน โดยด้านหลังเป็นตู้เสื้อผ้าฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็เป็นเตียงนอนตามปกติเือนนั้นห้องนอนของเธอก็ปิดไฟกันแล้วแต่ก็เปิดโคมไฟสีส้มๆไว้หนึ่งอันเพราะแฟนผมกำลังนั่งทางานอยู่แสงไฟสีส้มสาดส่องทำให้ห้องไม่มืดมากนักซึ่งยังพอทาให้เห็นตู้เสื้อผ้ากับเตียงนอนอยู่ ระหว่างที่ผมกำลังคุยกันกับแฟนอยู่นั้นผมก็เห็นเงาของคนเดินผ่านตู้เสื้อผ้าด้านหลังแฟนผมไปผมเห็นมันชัดมากเนื่องจากโคมไฟสีส้มของแฟนผมมันส่องสว่างไปถึงตู้เสื้อผ้าด้านหลังของเธอซึ่งโดยปกติแล้วผมก็คงไม่คิดอะไรเพราะมันอาจจะเป็นเพื่อนของเธอเดินผ่านไปก็ได้ แต่ไม่รู้ว่าทำไมผมกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องเงานี้ s ผมเลยเอ่ยปากถามเธอไปว่าเธอเธอใครเดินผ่านอ่ะแฟนผมก็หันไปดูแล้วทำหน้างงๆจากนั้นเธอก็หันมาบอกกับผมว่าไม่มีใครเดินทุกคนนอนบนเตียงกันหมดแล้วผมก็เลยบอกกับเธอว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้ว มันต้องมีคนเดินผ่านสิวะเงาชัดขนาดนั้นผมก็เลยให้แฟนผมหันไปถามเพื่อนทุกคนเลยว่ามีใครลุกเดินผ่านไปไหมตอนแรกแฟนผมก็ไม่ยอมถามให้คิดว่าผมพูดอะไรบา้บาๆแต่ผมก็แซวซีเธอจนเธอยอมหันไปถามเพื่อนให้หมดทุกคนแล้วก็ได้รู้ว่าไม่มีใครเดินผ่านเลย ทุกคนนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงกันหมดตอนนั้นผมเริ่มใจไม่สู้ดีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้กลัวอะไรเพราะคิดเพียงแต่ว่าใครเดินผ่านเท่านั้นแล้วผมก็ปล่อยมันผ่านไปไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวแฟนผมจะกลัวจากนั้นเราก็คุยกันต่อพอคุยไปได้สักพักหนึ่ง ผมก็ได้ยินเสียงใครสักคนหัวเราะขึ้นมามันเป็นเสียงหัวเราะเบาๆแห้งๆผมก็เลยบอกกับแฟนผมว่าเพื่อนเธอขำอะไรกันกินน้ำหน่อยั้ยแห้งเชียวแฟนผมก็เงยหน้าขึ้นมามองหน้าผมแล้วก็พูดว่า ใครขำอะไรไม่มีไม่มีใครขำอะไรเลยผมก็เลยคิดในใจเอาแล้วไงปกติผมก็เป็นคนกลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้เจออะไรผมเงียบไปสักพักแล้วก็ตอบแฟนผมไปว่าไม่มีอะไรสงสัยทีวีที่บ้านมั้งเปิดทีวีไว้อยู่แต่ความจริงแล้ว ผมเปิดทีวีอยู่ก็จริงแต่แทบไม่ได้เปิดเสียงเลยมันเบามากไม่ได้ชัดเจนเหมือนที่ผมได้ยินเมื่อกี้แล้วผมก็หันไปมองในทีวีมันเป็นช่องกีฬาฟุตบอลจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีใครขคำอะไรในทีวีแน่นอนจนเวลาผ่านไปเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเน็ต w i ไฟของแฟนผมที่ใช้ในวิทยาลัย มันก็เริ่มกระตุกและช้าลงซึ่งมันเป็นเวลานี้เกือบทุกวันเวลาดึกทีไรเน็ตชอบช้าแล้วก็ค้างอยู่บ่อยๆพอมันเริ่มจะค้างผมก็บอกกับแฟนผมว่าให้เปิดเป็นเน็ตโทรศัพท์เอาจะดีกว่าซึ่งตอนนั้นแฟนผมก้มหน้าทํางานอยู่พอะเธอได้ยินที่ผมบอกเขาก็เงยหน้าขึ้นมา เพื่อจะมาปิดไวไฟในโทรศัพท์ขณะที่แฟนผมกำลังเงยหน้าขึ้นมาอยู่นั้นผมก็เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่แฟนผมอย่างแน่นอนใบหน้าของเธอคนนั้นเละมากผมยาวฟูและตาโตมากๆเธอกำลังจ้องมองมาที่ผมแล้วก็อ้าปากเหมือนกับกำลังจะยิ้มให้ ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ผมบอกเลยว่าคนลุกมากๆเพราะผมก็ต้องนึกภาพตามด้วยเหมือนกันเมื่อผมเห็นดังนั้นผมก็ร้องตะโกนเสียงดังด้วยความตกใจผมบอกเลยว่าผมร้องเฮ้ยดังมากแต่แฟนผมกลับไม่ได้ยินเพราะวิดีโอคอมันดันมาค้างพอดีมันค้างเพราะเน็ดช้าหรือยังไงก็ไม่รู้ แล้วมันก็ยังมาค้างที่หน้าผู้หญิงคนนั้นด้วยผมเลยตัดสินใจแคปรูปหน้าจอที่เป็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเอาไว้คิดว่าจะเอาให้แฟนผมดูในตอนเช้าซึ่งถ้าให้ดูตอนนี้เธอคงจะกลัวจนนอนไม่หลับเป็นแน่หลังจากที่ผมแคปหน้าจอเอาไว้เรียบร้อยสักพักสายที่วิดีโอคอะค้างไว้ก็ตัดไป เพราะแฟนผมปิด WiFi ฟล้ววางไปเพื่อจะโทรมาใหม่ระหว่างนั้นผมพยายามตั้งสติเพราะกลัวว่าสิ่งที่โทรกลับมาจะไม่ใช่แฟนผมและก็กลัวว่าจะเป็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นอีกสักพักเสียงโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้น ผมนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจกดรับสายเมื่อภาพจากมือถือปรากฏขึ้นมามันก็เป็นใบหน้าของเธอแฟนผมนั่นเองตอนนั้นผมล่งอกเอามากๆซึ่งผมก็ตัดสินใจที่จะไม่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ให้แฟนผมฟังกะว่าจะมาเล่าให้ฟังในตอนเช้าดีกว่า รูปนั้นก็ถูกแคบเก็บไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วพวกเราคุยกันต่อผมก็เนียนคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่แฟนผมจะเข้านอนแล้วผมกับเธอก็วางสายเข้านอนกันตามปกติเรื่องมันควรจะจบแบบที่ว่าผมนอนหลอนอยู่บนเตียงแล้วเอารูปให้แฟนดูในตอนเช้าแต่มันไม่ใช่ มันไม่ได้จบแบบนั้นพราะเล่าถึงตอนนี้ผมก็บอกได้เลยว่าภาพนั้นมันยังติดตาผมอยู่เลยผมกลัวมากจริงๆหลังจากที่ผมนอนหลับไปผมก็ฝันว่าเห็นใบหน้านีาน่แหละเธอเข้ามาในฝันใบหน้านิ่งๆของเธอจ้องมองมาที่ผมความรู้สึกในตอนนั้น เหมือนกับผมกำลังเอาหน้าจ้องที่จอทีวีอยู่แล้วภาพในทีวีนั้นก็เป็นใบหน้าของเธอมันน่ากลัวมากในฝันนั้นเธอได้พูดกับผมซึ่งผมจับใจความได้ว่าเธอบอกให้ผมลบรูปที่แคปไว้ห้ามเอาให้ใครดูเด็ดขาดหลังจากที่เธอพูดจบสักพักผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา ตอนนั้นก็เกือบจะเช้าแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงจะหลอนไปเองแล้วก็เก็บเอามาฝันแต่ถึงอย่างนั้นตัวผมก็ยังขนลุกกับความฝันนั้นอยู่เมื่อเห็นว่ายังไม่เชา้าดีผมก็ล้มตัวลงนอนต่อแล้วความฝันเดิมนั้นก็กลับมาอีกมันเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเปะ๊ะทั้งใบหน้า และเสียงพูดจนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งผมรู้สึกได้ว่าเหงื่อผมแตกท่วมตัวไปหมดซึ่งตอนนั้นน่าจะประมาณ9ก้าโมงแล้วหัวผมไม่รู้คิดอะไรอยู่ในขณะที่นอนอยู่นั้นผมรีบหันไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลดล็อกหน้าจอแล้วเข้าไปที่รูปที่ผมแคปไว้ ผมกลัวมากไม่กล้าที่จะมองรูปนั้นอีกจึงต้องทำตาหลิๆเพื่อไม่ให้เห็นใบหน้านั้นแล้วผมก็รีบกดลบแล้วตามเข้าไปลบในถังขยะอีกลบหมดเลยแล้วผมก็ลุกขึมานั่งขนลุกไปทั้งตัวเหงื่อก็ยังแตกท่วมไปหมดวันเดียวกันนั้นเองตอนเที่ยง ผมก็โทรไปเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้แฟนผมฟังพร้อมทั้งบอกว่าตอนแรกก็แคบหน้าจอไว้แต่พอฝันกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวผมก็เลยรีบลบออกไปเมื่อแฟนผมได้ยินก็ตกใจแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะเน็ดช้าหรือเปล่าใบหน้ามันเลยดูแตกเหมือนผีเธอบอกให้ผมอย่าคิดมาก แต่ผมก็คิดในใจว่ายังไงก็ไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าแฟนผมแน่ๆมันชัดเจนมากแถมเงาที่ได้เห็นและเสียงที่ได้ยินมันก็ประจวบเหมาะ ก, กันพอดีมันชัดเจนชัดเจนเกินไปกลางดึกของคืนนั้นผมกับแฟนก็วิดีโอคอลกันอีกแต่ผมได้บอกกับแฟนว่าให้ไปอยู่มุมแคบเลย อย่าให้มีพื้นที่ข้างหลังให้ผมเห็นอีกเธอก็เลยไปนอนบนเตียงซึ่งมีพื้นหลังเป็นกำแพงและผมก็บอกให้เธอไม่ต้องเปิด w i ไฟแล้วด้วยใช้เน็ตมือถือพอถ้าเน็ตหมดก็ช่างมันไม่อยากเจออะไรแบบเมื่อคืนอีกแล้ว สมัทสีย